ข้อ 8. ปสับว่าอาถะเป็นนิบาตใช้ในอัจว่าไม่ขาดตอนสับว่าโคเป็นนิบาตใช้ในอัจว่าแสดงเรื่องอื่นด้วยสับว่าอาทะโคทั้งสองนั้นท่านพระอาโน์เถระชี้แจงว่าเรื่องอื่นที่ไม่ขาดสายเลยได้เกิดขึ้นแล้วณนะที่นั้นคือ ที่ประทับแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะเฉลยคำถามว่าเรื่องอื่นนั้นคืออะไรท่านพระอาณนเถระจึงกล่าวคำว่าอัญญตราเดวตาดังนี้เป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอัญญตราได้แก่เทวดาผู้ไม่ปรากฏโดยนามและโคตรตนหนึ่งความจริงคำว่า เทวดานั่นเป็นนามทั่วไปทั้งหญิงและชายแต่ในพระสูตรนี้ท่านพระนนเถระกล่าวเฉพาะฝ่ายชายว่าเทวดาอธิบายว่าเทพบุตรสองบทว่าอภิกันตายรติยาความว่าเมื่อราตรีกล่าวคือปฐมยามสิ้นสุดแล้ว ความจริงในความว่าอาภิกันตายรัติยานี้อภิกันตศัพท์ใช้ในอาจว่าสิ้นไปรัติศัพท์ใช้ในอาจว่าปฐมยามดุดในประโยคทั้งหลายเป็นต้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฐมยามสิ้นไปแล้วปฐมยามผ่านไปแล้วฉะนั้นบทว่าอาภิกันตวนา แปลว่าผู้มีผิวงดงามความจริงในคำว่าอภิกันตวนานีอภิกันตสัพ์ใช้ในอัดว่างดงามดุดในประโยคทั้งหลายเป็นต้นว่าใครมีวันนะงดงามอย่างทิศทั้งปวงให้สว่างสวยอยู่ฉะนั้นวันนะสัพใช้ในอัดว่าผิว ดุจในประโยคทั้งหลายเป็นต้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระชวีดังทองฉะนั้นบทว่าเกวลกับปังได้แก่ไม่มีส่วนเหลือโดยรอบความจริงในคำว่าเกวลกับปังนี้ความไม่มีส่วนเหลือเป็นความหมายของเกวศัสั์ดุจในประโยคทั้งหลายเป็นต้นว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีส่วนเหลือฉะนั้นความเป็นโดยรอบเป็นความหมายของกปะสัพดุดในประโยคทั้งหลายเป็นต้นว่ายังพระเวรุวันไม่มีส่วนเหลือโดยรอบให้สว่างสวัยแล้วฉะนั้นบทว่าโอภาสศทตวาได้แก่ แผ่รัศมีไปอธิบายว่าทำให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันดุจพระจันทร์และพระอาทิตย์ฉะนั้นหลายบทว่าเยนะเพะกวาเตนนประสังกมิความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณที่ใดก็ไปในที่นั้นความจริงสองบทว่าเยนะเตนะนั่น เป็นตติยาวิพัตใช้ในอัตสตมีวิพัตอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเหล่าเทวดาและมนุษย์พึงเข้าเฝ้าด้วยเหตุกล่าวคือความประสงค์คุณวิเศษมีประการต่างๆอันใดเทวดาก็เข้าเฝ้าแล้วด้วยเหตุอันนั้น